อ น, นี้ความปรุงแต่งของกายการอาร no ูปเราก็ย <sos em> <attributes> ังมีการปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นอารูปปรุงแต่งแบบไม่มีรูปการปรุงแต่งอยู่ดังนั้นความสงบก็ยังเป็นอารูปอันหนึ่งหรืออารูปพบทีนี้อารูปนี่มีอยู่ภายใต้อนิจังทุกขังหน้าตาไหมมันยังคงเป็นอารูปตลอดไปไหมในความสงบมันยัคงตัวตลอดไปไหม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 เพราะนั้นบอกว่าสติเรามิสติก็ยังคิดอยู่เรารู้ว่าคิดนั่นก็เรียกว่ามันเป็นนามรู่แล้วสติอย่างนั้นเรียกว่ายัางเป็นรูปเป็นนามมารูปอยู่สติสมถียปัญญาถ้ า, า ONE, มันปรุงแต่งอยู่เขาเรียกว่าสติสมถีปัญญานั้นเป็นนามารูปอยู่ต่เมื่อไรเข้าไปรู้แบบไม่ปรุงแต่งตรงนั้นแหละสติสมถียปัญญาก็จึงเป็นนามล้วนๆหามายความว่าถ้าคิดขึ้นมาเป็นเป็นรูปอยู่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 ก็คือการสัมรมอินซีซันตินเดียโอเจนิปโกจะประคับโผคือไม่คิดไม่พุงแต่งไม่ยึดนะประคับโพลดังนั้นเราจะเห็นว่า <c oughs> การปฏิบัติของเรานั้นจะต้องทำให้มันเข้าใจถูกต้องแล้วก็ใช้ถูกต้องด้วยเข้าใจถูกต้องหมายความว่าวนำปฏิบัติที่ไหนก็กได้ไม่ใช่ว่าออวันพูดมาปฏิบัติเสียทีไม่ใช่หมายความปฏิบัติมทุกวันนั่นแหละ